45, สี่สิบห้าพรรษาของพระพุทธเจ้าพระนิพนสมเด็จพระยาณสาังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆอาริษนายก เกณฑ์ดังกล่าวนี้จึงได้แบ่งจิตออกไปมากมายถึงแปดสิเก้าดวงแต่ว่าเมื่อจะสรุปลงแล้วก็ได้เป็นสี่คือกามาวะจร จ, จิตจิตที่ยังลงในกาหนึ่งรูปาวะจร จ, จิตจิตที่ยังลงในฌานมีรูปเป็นอารมณ์หนึ่งอะรูปาวะจร จ, จิตจิตที่ยังลงในฌานมีอารมูปเป็นอารมณ์หนึ่งโลกุตระจิต จิตที่เป็นโลกุตระคืออยู่เหนือโลกหนึ่งสรุปลงก็เป็นสี่มุดกามาวจรจิตจิตที่ยังลงในกามนั้นเป็นจิตสามัญที่ยังมีความยินดียินร้ายอยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสโหดทพะที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจเป็นฝ่ายกุศลหรือว่าโสพณนะคืองามก็มีเป็นฝ่ายอากุศลหรืออโศพณนะ คือไม่งามก็มีเป็นฝ่ายอัพพยากรก็มีอาศัยหลักดังที่กล่าวมาข้างต้นรูปาวะจรจิตจิตที่ยังลงในฌานมีรูปเป็นอารมณ์นั้นก็ได้แก่ฌานจิตที่มีรูปเป็นอารมณ์อรูปภาวะจรจิตจิตที่ยังลงในฌานมีอรูปเป็นอารมณ์นั้นก็ได้แก่ฌานจิตที่มีอรูปเป็นอารมณ์โลกุตรจิตนั้นคือมรรคจิตผลจิต ของพระอริยบุคคลทั้งหลายตั้งแต่ปโสดาบันขึ้นไปจนถึงพระอรหรันในตอนนี้ควรทราบว่อเบ็ดตเตล็กคือพระอรหันนั้นก็อาจจะมาทําหรือประกอบกิจในทางโลกการกระทําของท่านนั้นถ้าดูอย่างคนสามัญก็นับว่าจัดเข้าในกุศลจิตที่เป็นการมวจรจคือว่าเมื่อดูถึงกรรมที่ทําการงานที่ท่านทำก็บ่งถึงจิตที่เป็นกุศลแต่ว่าท่านแสดงว่า ถ้าสำหรับพระอรหันต์ก็จัดว่าเป็นเอียงกิริยาเรียกว่ากิริยาจิตเพราะท่านสิ้นตัณหาที่จะก่อให้เกิดชาติและพบต่อไปอันหนึง่งพระอรหันต์ท่านก็ยังเข้าชาในบางครั้งเข้ารูปฌานบ้างอะโรฌานบ้างอันนี้ก็เรียกว่าเป็นกิริยาจิตอีกเหนึ่งกัดในชั้นรูปและอรูปและตามหลักของท่านนั้นถือว่าบุคคลที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ มาเกิดด้วยกุศลกรรมความเป็นมนุษย์เป็นกุศลวิบากคือผลของกรรมดีเพราะฉะนั้นเมื่อจัดเข้าในจําพวกจิต ด, ดังกล่าวการมาเกิดเป็นมนุษย์ก็ต้องมาเกิดด้วยกุศลจิตที่มีอโรภะอโทสะอโมหะเป็นมูลถ้าประกอบด้วยจิตที่มีโลภะโทสะโมหะเป็นมูลแล้วก็จะไม่มาเกิดเป็นมนุษย์ไปเกิดต่ํากว่าแต่ว่ากุศลจิตที่เป็นส่วนเหตุ อันนามาให้เกิดนี้ของแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นจิตที่เป็นพื้นอัตยาศัยของแต่ละบุคคลจึงต่างกันดังเช่นบางคนมีอัตยาศัยใหญ่เอือเฟื้อเผือแผะบางคนมีอัตยาศัยคับแคบตรนหนีเมียวแน่นคนที่มีอัตยาศัยใหญ่นั้นก็เนื่องมาจากกุศลจิตในส่วนที่เกี่ยวแก่ทานที่ได้ทำํำไวมากคนที่มีอัตยาสัยคับแคบนั้น ก็หนึ่งด้วยกุศลจิตอันเกี่ยวกับทานได้ทำไม้น้อยอันหนึ่งบางคนมีนิสัยเมตตาการุณาก็เนื่องมาจากกุศลจิตที่ได้อบรมมามากในศีลในเมตตาการุณาบางคนมีนิสัยโหดร้ายก็เนื่องมาจากกุศลจิตที่ได้อบรมมาดในศีลในเมตตาการุณาที่มีจานวนน้อยรวมความว่าที่มาเกิดเป็นมนุษย์นั้น ต้องเนื่องมาจากกุศลจิตทท่านั้นสุดแต่ว่ามากหรือน้อยกุศลจิตที่เป็นส่วนเหตุอันได้ทาไว้แล้วก็จะส่งผลให้เป็นวิบากจิตคือจิตที่เป็นวิบากส่วนผลที่จะถือกำเนิดเกิดต่อไปหรือว่าในปัจจุบันนี้เองที่ปรากฏเป็นพื้นอัตยาศัยนิสัยของจิตนี่จัดเป็นจิตที่เป็นส่วนวิบาก ค, คือผลก็เนื่องมาจากจิตที่เป็นส่วนเหตุ จิตที่จะเป็นส่วนเหตุทั้งฝ่ายดีทั้งฝ่ายชั่วดังกล่ามานี้ต้องเป็นจิตที่มีกำลังจนถึงชวนาจิตจิตที่แล่นไปคือที่ปรากฏกุศลมูลเต็มที่ปรากฏอกุศลมูลเต็มที่ปรากฏเจตนาที่จะประกอบกันเต็มที่จึงจะเป็นจิตที่เป็นส่วนเหตุในทุกๆฝ่ายแต่ว่าถ้าเป็นจิตที่ยังไม่ถึงชวนะก็ยังไม่จัดว่าเป็นกุศล หรืออกุศลอย่างไรสักว่าเป็นกิริยาคือเป็นการดาเนินทานองเป็นอัตโนมัติไปตามกลไกของจิตเท่านั้นและลักษณะเช่นนี้ก็จัดว่าเป็นอัพยกตะจิตที่เป็นวิบาทังปงูนถ้าเป็นวิบากของอกุศลท่านจัดว่าเป็นอัพยกตะสาหรับคนที่เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะถือว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ด้วยอำนาจกุศลจิตต่างหา ไม่ใช่ด้วยอำนาจอากุศลจิตคือวิบากของอากุศลจิตไม่มีกำลังแรงเหมือนกุศลจิตที่เป็นส่วนเหตุนั้นการแสดงเรื่องจิตในอภิธรรมตามหลักที่กล่าวมานี้เป็นการสรุปหลักเกณฑ์ ก, กว้างๆแต่ว่าจะไม่จำแนกเพราะเมื่อจำแนกแล้วก็จะต้องจดต้องจำกันจริงๆไม่ใช่เพียงพูดฟังแล้วก็จะกำหนดไม่ได้ การทำสมาธิจะแถมเรื่องทำสมาธิให้นั่งตัวตรงก่อนน้อมใจเข้ามากำหนดดูที่ตนกำหนดดูให้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกต่อจากนี้ก็กำหนดอิริยาบถตามที่ท่านสอนนั้นเมื่อเดินก็ให้รู้ว่าเราเดินเมื่อหยุดยืนก็ให้รู้ว่าเราหยุดยืน เมื่อนั่งก็ให้รู้ว่าเรานั่งเมื่อนอนก็ให้รู้ว่าเรานอนจะน้อมอิริยาบถไปอย่างใดก็ให้รู้อย่างนั้นในบัดนี้เรานั่งอยู่ก็ให้รู้ว่านั่งอยู่อันหนึ่งยังต้องมีอิริยาบถเล็กน้อยของกายอีกมากมายเช่นในเวลาเดินนั้นในบางคราวก็ก้กาวไปกลางหน้าในบางคราว ก็ถอยมาก้าหลังในบางคราวก็มองไปตรงๆในบางคราวก็มองชนิดเหลียวในบางคราวผัดเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีการเหยียดแขนเหยียดขาหรือว่าคู่ก็ามาตามที่ประสงค์จะให้เป็นอย่างไรต้องนุ่งต้องหม่มต้องบริโภคต้องถ่ายในบางคราวก็พูดในบางคราวก็นั่งเมื่อถึงเวลาก็ต้องนอน แล้วก็ต้องตืง่นในวันหนึ่งวันหนึ่งก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเล็กน้อยต่างๆเหล่านี้อยู่เสมอฉะนั้นก็ให้หัดทําสัมปชัญญะคือความรู้ตัวของตัวเองในอิริยาบถ ท, ทั้งปวงนั้นเมื่ออยู่ในอิริยาบถใดก็ให้รู้และเมื่อจะเปลี่ยนเป็นอิริยาบถอื่นก็ให้รู้โดยมากถ้าไม่หัดทาสัมปชัญญะคือความรู้ให้อยู่กับตัว มักจะเผลอในการผัดเปลี่ยนอิริยาบถต่างๆและโดยปกตินั้นมักจะไม่รู้ตัวในเวลาที่เปลี่ยนอิริยาบถของตนเช่นคิดจะนั้นในขณะที่ร่างกายกําลังนั่งลงนั้นเราก็คิดอย่างอื่นต่อไปเสียอีกแล้วมักจะเป็นอยู่ดังนี้ลองตรวจ ด, ดูก็อาจจะรู้สึกเพราะฉะนั้นหากพยายามเหนี่ยวรังจิตให้แล่นไปช้าลงให้มาคอยดูการปฏิบตัติตามความคิดสั่งของตนด้วย ดะเมื่อคอยฝึกหัดอยู่เสมอก็จะเป็นการหัดทาสัมปชัญญะให้มีสมบูรณ์ยิ่งขึ้นอันหนึง่งให้พิจารณาตรวจตูอวัยวะอาการในร่างกายของตนที่เรียกว่าอาการส1อหรือ32สองเบื้องบนแต่พื้นเท้าขึ้นมาเบื้องต่ำแต่ปลายผมลงไปมีหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอบลองคิดดูไปโดยลำดับ ทำมีความหมายสี่ประการจะแสดงเรื่องอภิธรรมต่อได้แสดงเรื่องจิตโดยหลักเกณฑ์ทั่วไปมาแล้วการแสดงนั้นไม่ได้ทำแนกหัวข้อเพราะยากแก่การกําหนดถ้าจะแสดงหัวข้อก็จะต้องมีการจดจํากันจริงๆเพราะฉะนั้นจึงได้แสดงแต่หลักเกณฑ์ทั่วไปตามที่เห็นว่าจะเกิดความเข้าใจได้ไม่สู้ยากตอนนี้ไป จะแสดงข้อเบตเตเลตบางประการที่เกี่ยวแก่ศัพท์เป็นต้นคําว่ากุศลมาจากศัพท์ บ, บาลีว่ากุสลแปลว่ากำจักชั่วแยกศัพท์ออกเป็นกุแปลว่าชั่วสลแปลว่ากําจัดอีกอย่างหนึง่งแปลว่าตัดภาวะที่นอนคือสยบอยู่ภายในโดยอาการที่ชั่วแยกศัพท์ออกไปเป็นกุ แปลว่าอาการที่ชั่วสัแปลว่านอนละแปลว่าตัดอีกอย่างหนึ่งแปลว่าเก็บเกี่ยวด้วยยานที่ทําความชั่วให้สิ้นสุดแยกสัตออกไปเป็นกุศะแปลว่าชานที่ทําความชั่วให้สิ้นสุดกุก็แปลว่าชั่วสะตตัวนั้นแปลว่าให้สิ้นสุดเป็นชื่อของยานหรือของปัญญาละ แปลว่าเก็บเกี่ยวโดยความก็คือเก็บเกี่ยวด้วยปัญญาสองอัฏฐานหลังนี้สัแปลว่าตัดอย่างหนึง่งแปลว่าเกี่ยวอย่างหนึง่งที่แปลว่าตัดนั้นก็หมายว่าตัดทิ้งแต่ที่แปลว่าเกี่ยวก็ตัดเหมือนกันแต่ว่าตัดเอามาไว้เช่นเกี่ยวข้าวเกี่ยวออกมานี้ตามสัตแต่ถ้าว่าตามอัฏฐาคือความหมายที่ใช้กันนั้น ใช้ในความหมายว่าความไม่มีโรคเหมือนอย่างเช่นจะทักกันว่าสบายดีหรือก็ถามว่าเป็นกุศลหรือในความหมายว่าไม่มีโทษว่าฉลาดและว่ากรรมที่มีสุขเป็นวิบากในความหมายที่ใช้เรียกว่ากุศลในที่นี้ก็หมายถึงธรรมะหรือหมายถึงกรรมที่เป็นอนัตชัตคือไม่มีโทษและมีุขเป็นวิบาก ส่วนที่เป็นอกุศลก็มีอัตถะตรงกันข้ามคือหมายถึงธรรมะหรือกรรมที่มีโทษและมีทุกข์เป็นวิบากส่วนที่เป็นอัพยาเฤตกนั้นหมายถึงที่ไม่มีวิบากส่วนคาว่าธรรมหรือธรรมะแปลตามศัพท์ว่าทรงไวหรือทรงตัวเองอยู่โดยมากจ ใ, ในความหมายสีย่อย่างคือหมายถึง 1. ปริยัต คือข้อที่จะพึงศึกษาแลาเรียนในคําว่าเรียนทำรรเป็นต้น 2. เหตุที่คู่กับผลอย่างคําว่าทำมันอยู่รู้ทำก็คือรู้เหตุคู่กับอัดถังอยู่รู้อัดถก็คือรู้ผล 3. คุณคือส่วนที่มีประโยชน์เกื้อกูลที่เรียกกันว่าคุณงามความดี ดังในคําว่าธรรมและอธรรมหามีวิบากคือผลเสมอกันไม่ในที่เช่นนี้ธรรมะหมายถึงคุณส่วนอธรรมหมายถึงโทษคําว่าธรรมะที่พูดกันในความหมายที่เป็นชั้นกรรมที่จะพึงจำแนกออกเป็นคุณหรือเป็นโทษต่างๆนั้นก็มักใช้ในความหมายนี้ถ้าพูดถึงโทษก็เรียกว่าอาธรรม 4. นิสสตะ นิจชีวะนิจตตาแปลว่าไม่ใช่สัตว์นิจชีวะไม่ใช่ชีวะคือหมายถึงสภาพที่ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่ชีวะคือหมายถึงตัวความจริงเหมือนดังคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมนี่ก็หมายถึงว่าตรัสรู้ความจริงโดยตรงก็คือความจริงที่เป็นอริยสัต์ธรรมะในที่นี้จึงไม่หมายถึงสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา หรือว่าชีวะอย่างใดอย่างหนึ่งในอภิธรรมนั้นธรรมโดยมากก็หมายถึงข้อที่สีนี้ยังมีข้อเบ็ดเล็กที่ควรจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือปฏิสนธิจิตผวังขจิตและจุติจิตปฏิสนธิจิตนั้นเป็นจิตที่เชื่อมต่อระหว่างภพอดีและภพปัจจุบันพวังขจิตนั้นเป็นจิตที่เป็นปกติมณะ ยังไม่ขึ้นสู่วิถีจุติจิตนั้นเป็นจิตที่เคลื่อนจากภพนี้และจะไปต่อกับปฏิสนธิจิตในภพต่อไปจิตทั้งสามนี้ท่านว่าเป็นจิตที่พ้นจากทวารทั้งหกส่วนจิตอื่นๆโดยมากนั้นเกิดขึ้นทางทวารทั้งหกคือต้องตั้งต้นมาจากทวารทั้งหกนั้นทวารใดทวารหนึ่งเช่นต้องตั้งต้นมาจากจักขุทวารเป็นต้น แต่ว่าจิตทั้งสามนี้พ้นจากทวารเหล่านั้นท่านจะแนกออกไว้เป็นสิบเกดูคือสันติรณจิตที่เป็นอุเบกขาสองกุศลวิบากจิตแปดมหาคตาวิบากจิตจนอีกเก้าจันวนจะยกไว้จะพูดแต่ชื่อสันติระณะก็ได้แก่จิตที่มีหน้าที่และอันดับดังที่แสดงแล้วกุศลวิบากจิต นั่นก็คือจิตที่เป็นวิบากฝ่ายกุศลมหาคต ว, วิบากจิตนั่นก็คือจิตที่เป็นวิบากของรูปฌานและอรูปฌานภาพแห่งกรรมปรากฏจิตเหล่านี้แหละที่จะไปเป็นปฏิสนธิจิตแล้วก็เป็นผวังคจิตเป็นจุติจิตเพราะฉะนั้นจิตจึงปฏิสนธิ พร้อมกับวิบาสของกรรมจุติไปก็พร้อมกับวิบาสของกรรมเมื่อยังเป็นปกติจิตคือเป็นพวังอยู่ก็ประกอบด้วยวิบาสของกรรมและท่านแสดงว่าจุติจิตนั้นอาจจะมีอารมณ์คือปรากฏเป็นมโนภาพขึ้นแก่จุติจิตนั้นสามอย่างคือหนึ่งกรรมสองกรรมนิมสาคตินิมิต กรรมนั้นก็ได้แก่กรรมที่บุคคลได้ทําไว้จะปรากฏแก่จุติจิตได้ในฝ่ายชั่วเช่นคนที่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตภาพของการฆ่าสัตว์ที่ตนได้ทําไว้ก็จะปรากฏหรือคนที่เป็นโจรนักขโมยภาพของจุลกรรมของตนก็จะปรากฏนี้เรียกว่ากรรมกรรมนิมิตนิมิตแห่งกรรม นิมิตในที่นี้หมายถึงเครื่องอุปกรณ์แห่งการทํากรรมเช่นเมื่อทําการฆ่าใช้เครื่องอุปกรณ์เช่นอาวุธอย่างใดอย่างหนึ่งภาพของอาวุธอย่างนั้นก็อาจจะปรากฏเมื่อลักขโมยต้องใช้อุปกรณ์อันใดในการลักอุปกรณ์นั้นก็อาจจะปรากฏนี้เรียกว่ากรรมนิมิตคตินิมิตนิมิตแห่งคติคือที่ไป ผู้คนผู้จะตายไปนั้นมีคติที่จะไปอย่างไดเช่นเมื่อทํากรรมชั่วต่างๆคติที่จะไปเป็นคติไม่ดีคติเช่นนั้นก็อาจจะปรากฏนี้เรียกว่าคติมิมิตในทางกรรมดีก็ตรงกันข้ามกรรมดีที่ได้กระทําไว้เช่นทานศีลก็อาจเป็นภาพปรากฏแก่จุดจิตจิตนั้นตามที่เคยได้ทําไว้ นิมิตเช่นอุปกรณ์แห่งการประกอบกรรมที่ดีต่างๆเช่นวัตถุทานที่บริจาคเป็นต้นก็อาจจะปรากฏแก่จุติจิตคตินิมิตคติที่จะไปก็อาจจะปรากฏแก่จุติจิตนั้นแต่ท่านว่าไม่ใช่ปรากฏทางถานรทั้งหกเพราะว่าจิตเหล่านี้พ้นจากถานรทั้งหก โลกสามอีกข้อหนึ่งก็คือว่าท่านว่าในกามาโลกมีวัตถุทั้งหกได้แก่จักขุโสตคานะชิวหากายะและหสุยะวัตถุก็ได้แก่อายตนะภายในหกนี่เต็มที่แต่ว่าในรู ป, ประโลกที่เป็นโลกสำหรับผู้ได้รูปประชานนั้น ขาดไปสสามคือขานะชิวหากายะหมายถึงว่าไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายมีแต่ตาหูและใจพวกรูปประพรมท่านว่าอย่างนั้นส่วนอารมประพรมนั้นไม่มีวัตถุที่เป็นโรปทั้งหมดแปลว่ามีแต่ใจที่รับรู้อยู่โดยอัตโนมัติพิจารณาดูถึงรูปรโลกก่อน ที่ว่าไม่มีจมูกไม่มีลิ้นไม่มีกายนั้นก็น่าจะหมายถึงว่าไม่มีประสาทเหล่านี้คานะประสาทไม่มีชิวหาประสาทไม่มีกายประสาทไม่มีแต่ว่าทําไมจึงมีจักุประสาทโสตะประสาทพิจารณาดูผู้ที่เข้าสมาธิอย่างนาแน่แน่จมูกย่อมไม่รู้กลิ่นลิ้นย่อมไม่รู้รสกาย ย่อมไม่รู้สัมผัสคือสิ่งที่ถูกต้องเหมือนอย่างที่นั่งทำสมาธิที่แน่วแน่สมาธิจะแน่วแน่จริงๆก็แปลว่าต้องดับจมูกดับลิ้นดับกายเป็นส่วนประสาทและอันที่จริงก็ต้องดับทางตาทางหูด้วยเหมือนกันแต่ว่ามีผลของสมาธิที่ทำให้เกิดหูทิพตาทิพดับจากคุประสา ธ, ธรรมดา โสตประสาทธรรมดาแต่ก็ยังมีผลที่เป็นหูทิพตาทิพแต่ก็ยังมีผลที่เป็นหูทิพตาทิพชั้นไหนปรากฏขึ้นได้ฉะนั้นรูปประคมก็คงหมายถึงว่ามีหูทิพมีตาทิพแต่ว่าจมูกเป็นต้นที่จะเรียกว่าจมูกทิพลิ้นทิพกายประสาททิพไม่มีเพราะไม่จำเป็นต้องใช้ใช้แต่ตาหูเท่านั้น ครั้นมาถึงอรูปะโลกแล้วสมาธิยิ่งแน่วแน่มากขึ้นก็ไม่ต้องใช้ทั้งหมดไม่ต้องการจะดูไม่ต้องการจะฟังอะไรทั้งนั้นนี่ก็พิจารณาดูตามเขาว่าท่านว่าไว้อย่างนั้นก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแล้วมาดูตามเหตุผลทั่วๆไปร่างกายของคนนี้อวัยวะทุกส่วนมีเอาไว้ก็ต่างมีหน้าที่จะต้องใช้ทั้งนั้นถ้าอยู่ในที่ไหน ไม่จำเป็นจะต้องใช้ส่วนไหนส่วนนั้นก็ดูไม่จำเป็นจะต้องมีเหมือนอย่างที่เราพูดพูดกันถึงเทวดาว่าเหาะได้แปลว่าไม่ต้องเดินถ้าเทวดาไม่ต้องเดินจริงเทวดาก็ไม่จำเป็นจะต้องมีขาเพราะฉะนั้นรูปร่างของเทวดาที่เราคิดกันว่างดงามนั้นความจริงถ้ามีก็คงจะเป็นอีกอย่างเหมือนก็เป็นได้ถึงในโลกต่างๆที่กาลังคิดจะไปกันอยู่นี้ ที่คิดกันว่าคงจะมีคนหรือมีสัตว์คนและสัตว์เหล่านั้นก็อาจจะมีรูปร่างไม่เหมือนกับคนและสัตว์ในโลกของเรานี้อันนี้ก็สุดแต่สภาพของดินฟ้าอากาศของแต่ละโลกและสภาพความจาเป็นทางร่างกายในโลกเรานี้เองรูปร่างของคนเราในต่อๆไปก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปอีกก็เป็นได้ตามควรแก่สภาพดินฟ้าอากาศ และตามควรแก่การที่จำเป็นจะต้องใช้เจตสิกได้กล่าวถึงเรื่องจิตโดยหลักเกณฑ์ต่างๆและข้อเบ็ะเล็ดต่างๆแล้วจะกล่าวถึงเจตสิกซึ่งเป็นหัวข้อที่สองต่อไปคำว่าเจตสิกแปลว่าธรรมะที่มีในเจตะคือใจลำพังจิตนั้นย่อมมีลักษณะเป็นอันเดียว แต่จิตเป็นต่างๆดังที่จำแนกไว้ถึง8ปดดวงก็เพราะจิตประกอบด้วยเจตสิกฉะนั้นจึงควรจะทราบว่าเจตสิกนั้นมีอะไรบ้างท่านแสดงว่าเจตสิกทั้งหมดนั้นมีห้าบสองแบ่งออกโดยหัวข้อดังต่อไปนี้เจตสิกที่เป็นสาธารณะคือทั่วไปแก่จิตทั้งหมดเรียกว่าสัพจิตต์สาธารณะ มีอยู่เจ็ดได้แก่ 1. ภผัสสะการกระทบคืออายตนะภายนอกหนึ่งอายตนะภายในหนึ่งวิญญาณหนึ่งประจบกันเรียกว่าผัสสะ 2. เวทนา 3. สัญญาทั้งสองนี้ก็ได้แก่เวทนาสัญญาในขันห 4. เจตนาความจงใจ 5. เอกคตาความที่จิตมีอารมณ์เป็นหนึ่ง 6. ชีวิตินสีอินสีคือชีวิต 7. มณสิการการกระทำไว้ในใจจิตของบุคคลทุกๆคนจะปรากฏขึ้นในทางกุศลอกุศลหรือในทางเป็นกลางกลางก็จะต้องมีเจตสิกทั้งเจ็นี้ประกอบอยู่ด้วยเสมอเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นเจตสิกที่สาธารณะคือทั่วไปแก่จิตทั้งหมดอันหนึง่ง เจตสิกที่เป็นเบ็ดเตล็ดอีกหได้แก่ 1. วิตกความตรึก 2. วิจารความตรอง 3. อธิโมกความตัดสินใจเชื่อลง 4. วิริยะความเพียร 5. ปีติความอิ่มใจ 6. ฉันทะความพอใจเหล่านี้มีแก่จิตบางดวงทั้งกุศลอกุศล และอัพญักฤิตรวมเป็นสิบสามเจตสิกสิบามนี้เรียกว่าอัญญสมานาเจตสิกแปลว่าเจตสิกที่มีเสมอกันแก่จิตอื่นคือมีแก่จิตดวงหนึ่งก็มีแก่จิตอื่นจากดวงนั้นด้วยและเมื่อมีแก่จิตอื่นๆไปทุกๆดวงโดยความก็คือว่ามีแก่จิตทั้งหมดได้ฉะนั้นจึงมีคําบัญญัติเรียกว่า อัญญสมานาเจตสิกหมวดนี้เป็นเจตสิกที่เป็นสาธารณะมีแก่จิตทั่วไปทุกฝ่ายหมวดที่สองเจตสิกที่เป็นฝ่ายอกุศลเรียกว่าอากุศละเจตสิกได้แก่หนึ่งโมหะความหลงสองอหิริกะความไม่มีฮิริละอายแก่ใจต่อความชั่ว 3. าอนโนตตะ ป, ปะความไม่มีโอต ป, ปะเรกรงกลัวต่อความชั่ว 4. อุททัจัดความฟุ้งซ่าน 5. โลภะความโลภ 6. ทิฏฐิความเห็นผิดเจดมานะความถือตัวเป็นไปในทางดูหมิ่นผู้อื่น 8. โทสะ ความโกรธประทศร้ายใจ 9. อิศาความริษยา 10. มัจจารยะความตรณีสิออุทธจักกุกอุจจัความปุ่งซ่านรำคาญใจ 12. ถีนะความง่วงมุมมน 13. มิิถะความเคลิเคลิม 14. วิจิกิจฉาความเคลืบแคลงสงสัย รวมเป็นสิบีจิต ท, ที่เป็นอกุศลทุกประการก็เพราะประกอบด้วยเจตสิกฝ่ายอกุศลนี้หมวดที่สเจตสิกที่เป็นฝ่ายกุศลเรียกว่ากุศลเจตสิกได้แก่ 1. ศรัทธาความเชื่อสิ่งที่ควรเชื่อ 2. สติความระลึกได้ 3. หิริ 4. โอตปะ 5. ้าอโลภะความไม่โลภ 6. อโทสะความไม่โกรธระทุสารายใจ 7. จ็ตัตรมัชตตาความที่เป็นมัธยัตคือเป็นกลางในเรื่องนั้นๆ 8. กายปัสสิความสงบในนามกาย 9. จิตตาอสสติความสงบจิต สิกายละลหุตาความเบานามกายสิอจิตตะระหุตาความเบาจิต 12. กายะมุทุตาความอ่อนนามกาย 13. จิตตะมุทุตาความอ่อนแห่งจิต 14. กายกรรมมัญญตาความควรแก่การงานแห่งนามกายสิบห้า จิตตะกรมมัญญตาความควรแก่การงานแห่งจิตสิบหกกายปาคุญญาตาความคล่องแคล่วแห่งนามกายสิบเจ็ดจิตตะปาคุญญาตาความคล่องแคล่วแห่งจิตสิบแปดกายยุชุกตาความตรงแห่งนามกายสิบเก้าจิตตุชุกตาความตรงแห่งจิต รวมเป็นสิก้ากับวิราชความงดเว้นสามคือได้แก่สัมมาวาจาเจรจาชอบโดยความว่างดเว้นจากวาจาที่ผิดสัมมากรรมันต์การงานชอบโดยความว่างดเว้นจากการงานที่ผิดสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีวิตชอบโดยความว่างดเว้นจากอาชีวะที่ผิด และอภปัญญาการแผ่จิตออกไปโดยไม่มีประมาณสองข้อคือกรุณากับมุทิตาและปัญญียีอินรีคือปัญญาอีกข้อหนึ่งก็รวมเป็นโสภณะเจตสิกคือเจตสิกที่งดงามหรือกุศลเจตสิกคือเจตสิกฝ่ายกุศลเป็น25เพราะฉะนั้นเมื่อรวมเจตสิกทั้งสาหมวด คืออัญญสัมน า, าเจตสิก13อกุศลเจตสิกหรืออโศภณะเจตสิก14กับโศภณะเจตสิกหรือกุศลเจตสิกยี่ก็เป็น52เจตสิกทั้ง52นี้เมื่อรวมเข้ากับจิตอย่างย่นย่อ ก, ก็เป็น53คือจิตทั้งหมดนับเป็นหนึ่งเท่านั้นกับเจตสิกห้ิบสอก็รวมเป็น5้บสาม ทำไมจิตจึงนับเป็นหนึ่งเท่านั้นก็เหตุผลดังที่กล่าวมาแล้ว ติดตามรับฟัง45พรรษาของพระพุทธเจ้ารพระนิพนธ์สมเด็จพระยาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกได้ในตอนต่อไป